ก็ความในสุตตานิบาตคค า, าวิสานสูตรสูตรที่เปรียบดุจนอแรกเนี่ยนะเป็นคาถาที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นบนรรลุเพราะเหตุอะไระอาศัยเหตุที่ปรารบเป็นสังเวกวัตถุให้ท่านได้ตรัสรู้เอามากล่าวเป็นคาถาเพราะว่าเหตุเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสังเวควัตถุ วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจสำหรับท่านผู้มีอินทรีย์อบรม อ, อินทรีย์ที่ได้รับการอบรมจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อันอาศัยการพิจารณาสังเวกับวัตถุแม้แต่เหตุเรื่องเล็กน้อยก็สามารถเป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้เช่นในคาถาที่22หน้า198เกี่ยวกับ แม้กระทั่งเหตุการณ์ในครัวนี่ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เพราะงั้นไงได้ยินว่าพ่อครัวของพระเจ้าพารณสีปรุงพระกาหารในระหว่างน้อมเข้าไปถวายด้วยปรารถนาว่าการเห็นโภชนะที่ฟูใจเป็นรสที่ประเสริฐทําอย่างไรเนอพระราชาพึงพระราชทานทรัพย์แก่เราพระราชาพระกยายหารนั้น ยังความประสงค์ที่สวยให้เกิดขึ้นแก่พระราชาด้วยกลิ่นเท่านั้นมันพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละเกิดพระเขระเกิดขึ้นในพระอดคือพ่อครัวเนี่ยอยากจะปรุงอาหารให้มันเ อ, อเรเออร่อยถูกใจพระราชาที่สุดพราะหมายก็ว่าถ้าถูกใจเท่าใดรางวัลก็จะมีเท่านั้นท่านก็เลยปรุงพระกยอาหารเพียงได้กลิ่นเท่านั้นล น, น้ำลายซอออกมาเลย แต่พอพระองค์เนี่ยสงสัยพระกาหารคำแรกลงในพระโอษฐ์เส้นประสาทสําหรับรับรสประมาณเจ็ดพันก็ทราบสั้นเหมือนกับถูกน้ำำําอมฤตฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้พระราชาเนี่ยพ่อครัวนี่ก็คิดเลยว่าบัดนี้พระราชาจับพระราชทานซับแก่เราก็เลย ว, ว่าโอ้โหอร่อยขนาดนี้พระราชาต้องก็เลยว่าพิเศษแน่วันนี้ฝ่ายพระราชาก็เลยคิดว่า พ่อครัวนี้สมควรแก่เครื่องสการะรางวัลแต่ครั้นทรงลิ้มรถแล้วองค์ก็ดมฤติว่ากิตติศัพท์ที่ชั่วพึงระบือถึงเราผู้สการะว่าพระราชานี้เป็นผู้โลภติดในรถคือถ้าหากว่าให้รางวัลไปเนี่ยนะเขารู้คนก็ต้องคอรหาแน่นอนว่าชื่อเสียงเราเสียหายหมดเพราะว่าเราติดในรถเห็นแก่รถงนั้นือ ร่างกายเนี่ยเป็นพระราชาก็จริงอ่ะแต่ว่าใจของท่านเป็นพระเนี่ยนะคือคืออัธยาศัยเนี่ยเป็นพระหมด haut, อัธยาศัยเป็นพระความประสงค์ต้องการแบบพระทั้งหมดแต่ว่าอยู่ในเป็นแค่ว่าเพศคารวะเท่านั้นเองมันก็เลยไม่ตรัสอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะพราะถึงจะอร่อยขนาดไหนก็ต้องนิ่งไว้เนี่ยนะก็พระพิสูจทั้งหลายเนี่ยก็เป็น ism, hearts, อย่างนั้นแหละเจออร่อยขนาดไหนก็เงียบไม่อร่อยก็เงียบเหมือนกันนะพันพระราชาไม่ได้ตรัสอะไร ฝ่ายพ่อครัวก็คิดว่าพระราชาจาักพระราชทานรางวัลในบัดนี้เดียวพระองค์ก็ให้เดียวก็ให้จนกระทั่งสวยพระกยาหารเสร็จแม้พระราชาก็ไม่ตรัสอะไรอีกเพราะกลัวการติเตียนใจจริงก็อยากจะให้แต่ถ้าให้เนี่ยเสียหายมากกว่าดีนะคือข้อเสียมีมากกว่าข้อดีก็เลยไม่ให้ ฝ่ายพ่อครัวก็เลยคิดว่าพระราชานี้ไม่มีชิวหาวิญญาณไม่รู้รถอะไรแน่นอนตระกูลจระเข้แน่นอนนั้นก็เลยวันวันที่สองก็เลยนําพระพระกายอาหารไม่ดีเข้าไปทูลถวายเมื่อพระราชาสวยก็รู้รู้ว่าวันนี้พ่อครัวเนี้สมควรแก่การตะคอกควรแก่การคมคือสมควรอย่างยิ่งอ่ะงานเนี่ยน่าจะโดนแน่แต่ก็พิจารณาอีกว่าเพราะว่าไม่ได้รถอย่างที่ตัวเองต้องการเลยด่าพ่อครัวก็เลยเงียบอีกไม่ตรัสอะไร พราะกลัวคำคอรหาเดี๋ยวก็จะว่าโหพระราชาพราะคนี้เลี้ยงยากนะนะชอบแต่รสที่อร่อยอร่อยนี่ดีสิพ่อครัวทําอาหารไม่อร่อยก็ด่าพ่อครัวเลยก็เลยเงียบอย่างเดียวไม่พูดอย่างนี้แล้วฝ่ายพ่อครัวก็คิดว่าพระราชาเนี่ยไม่รู้รสแน่ไม่รู้รอพระราชาไม่รู้หรอว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อ ย, อออยวันหลังก็เลยถือเอาสิ่งที่ตนสั่งสมไว้ทั้งหมดปรุงพระกยาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถวายพระราชา หมายเขาว่าทําตามมีตามเกิดไม่สนใจอ่ะนะก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรพระองค์ก็สวยได้หมดอ่ะเพราะพระองค์เป็นกลุ่มลิ้นจรเคไปแล้วห่วกั้นอาหารอร่อยไม่อร่อยยังไงพระองค์ก็สวยหมดแต่ไม่เห็นว่าอะไรสักอย่างอาหารพิเศษขนาดไหนก็เงียบอาหารเลวขนาดไหนก็เงียบปิดก็เห็นมีอะไรเพราะอยากทําอะไรก็ทําตามใจหมดกนันนี่ปราชาก็เลยเบื่อเบื่อเอาไวยความโลภนันะอ เราเนี่ยนะบริโภคตลอดสองหมื่นปีก็ไม่ได้มาดว่าพัดสักเพราะความโลภของพ่อครัวก็คือไม่ได้อะไรที่สมประสงค์อะไรเลยแม้แต่นี่เดียก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นพระราชาก็พระราชาอย่างนั้นแหละสเสวยก็สเสวยไปอย่างนั้นแหละหมดไปวันวนหนึ่งไม่ได้อะไรอร่อยอร่ อ, อ, รอกับเขาบ้างเลยคือเยื่อใหญ่ที่มันจะทําให้ติดอยู่ในโลกในหนึ่งสีที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปรารถนากลิ่นที่น่าปร า, ารถนารสที่น่าปรารถนา โดยเฉพาะรถที่หน้าปราทานาเนี่ยเป็นที่ติดของหมู่สัตว์เนี่ยมากเมื่อไม่ได้รถรับรถที่หน้าปรารถนาเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าโอ้มันก็มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยคือหมายว่าการอย่างที่ปังโคลยอมบางคนเขาบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรทํามาหากินแล้วก็ต้องมากินอะไรที่มันไม่มีรสชาติแบบเนี้นะแล้วทำไปทไําไมเขาบอกกันถือเขามาว่ า, ห ม, า, วาหมดอะไรตาอยากในสิ่งที่ตัวเองทาหมดเลยลในนี้พระราชาก็คิดในลักษณะนั้นก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรเลยไปวันวันหนึ่ง ก็เลยสละราชสมบัติผนวชบวชแล้วก็เห็นแจ้งบรรลุเป็นพระประเจกพระุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่มีความกระหายไม่ลบลูมีโมหะดุดน้ำฝาดอันขับจัดเสียแล้วไม่มีความอยากครอบงำโลกทั้งปวงได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรก อธิบายตามลำดับว่านิลโลลุบโปก็คือผู้ไม่มีความโลภเนี่ยนะแคลวารายนิระนิละเนี่ยนะก็คือไม่มีนั่นเองไม่มีความโลภเพราะบุคคลใดถูกความอยากในรถครอบงำบุคคลนั้นเรียกว่าย่อมโลภจัดและความโลภนั้นบ่อยๆเรียกว่าโลลู ป, ปะเรียกว่าผู้โลภก็คือโลบ่อยๆชอบบ่อยๆติดในรถบ่อยๆเนี่ยนะ นั้นคำว่าความโลภนั้นเป็นเชื่อของตันหานั่นเองเนี่ยนะท่านบอกว่าวัตถุแห่งความ เ, าเดี๋ยวโกหกอีกทีส่วนอีกคำหนึ่งก็คือบุคคลใดไม่มีความหลอกลวงสามอย่างบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่หลอกลวงถึงอย่างนั้นในคาถานี้มีอธิบายว่าไม่หลอกลวงไม่ถึงความกระยินในโภชนะอันหน้าฟูใจเป็นต้น ในจุลนิเทศภาษาริบุตรนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าตัณหาในความโลภนั้นพระปเจกขพุทธเจ้าละได้แล้วตัดขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุ น, นั้นพระปเจกขพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีความโลภส่วนว่าวัตถุแห่งความโกหกเนี่ยนะวัตถุแห่งความโกหกมีสามอย่างปกติถ้าคนมันจะโกหกกันเนี่ยนะหลอกกันเนี่ย โดยเฉพาะพระพิสุทั้งหลายถ้าจะหลอกโยมนะหลอกสามอย่างนะเรียนว่าสมมติถ้าจะถูกหลอกนะถูกหลอกสามอย่างนี่แหละยอมฟังไว้นะถ้าเผื่อจะถูกหลอกวัตถุแห่งความโกหกหรือความหลอกลวงมีสามอย่างอะไรบ้างหนึ่งวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการเสพปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยเนี่ยนะคือใครจะไปคิดว่า เ, เล่เหลี่ยมเนี่ยนะแม้กระทั่งใช้ปัจจัยสียังมีเล่เหลี่ยมเลยว่างั้น วัตถุแห่งความโกหกก็คืออิริยาบถหลอกลวงโดยใช้อิริยาบถโกหกก็คือหลอกลวงหลอกลวงโดยอิริยาบถกับหลอกลวงโดยโกหกโกหกหลอกลวงโดยการพูดอิงธรรมะอธิบายว่าวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการเสพปัจจัยเนี่ยนะคือใช้ปัจจัยเรียกว่าหลอกลวงด้วยการใช้ปัจจัยเนี่ยเป็นไนเช่นว่า พวกเครืหาบดีในโลกนี้นิมนต์ภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารนะคือเขามาประวารณาหรือเขามาถวายปัจใจสี่เนี่ยนะภิกษุนั้นก็มีความปรารถนาอันเป็นบาปปรารถนาเป็นบาปเรียกว่าปรารถนาลามมกเนี่ยด้วยอกุศลเจตนาเข้าให้อย่างเงี้ยอยากได้มากกว่านั้นอีกถูกความปรารถนาครอบงํามีความต้องการในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริขาร ไอ้ใจจริงก็อยากได้แต่อยากได้มากกว่านี้ไอ้ที่ให้มานี่ไม่ถูกใจทีนี้ไอ้การที่จะให้มันได้มากกว่าเดิมเนี่ยวิธีการทํำยังไงท่านก็บอกว่าบอกเลิกครับบอกไม่เอาอ่ะมันก็บอกเลิกจีวอนบิณฑบาตเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพศสัตบริขารแต่บอกเลิกแบบคนมีแค่ก็เล่เหลี่ยมจัดก็เลยพูดวบบอย่างนี้ว่าสมณะเนี่ยนะจะประสงค์อะไรด้วยจีวอนมีค่ามาก เพราะฉะนันสมณะนี้ควรจะเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าๆจากป่าชา้าจากกองอยากเยื่อจากตลาดอเอามาทําเป็นผ้าสังคายติบริโภคนั่นเป็นความสมควรจริงๆอยากได้ผ้าชั้นดีแหละแต่ว่าทีนี้ทําทจะให้ได้ผ้าชนิดนั้นได้เนี่ยบอกโอ้โโน่นอะไปเก็บข้าบางสกุลมาใช้ก็ได้เหมือนันนะนะฟังแล้ว อ, องค์นี้พิเศษหรืออีกคำหนึ่งถ้าบอกว่าสมณะเนี่ยนะประสงค์อะไรด้วยบิณฑบาตมีค่ามาก ฉันสมณะเนี่ยควเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ได้มาด้วยปลีแข้งบินทบาทก็ได้เหมือนนโดยการเที่ยวสแสวงหานั่นเป็นความสมควรสมณะเนี่ยนะอ่าเขาบอกสมควรกับสมณะเนี่ยนะบอกโอ้ยอาหารที่เขานีมนไปฉันมันยังไงก็ช่างเถอะมันสู้บินทบาทไม่ได้นะจริงก็อยากฉันอย่างนั้นจะตายอยู่แล้วแต่ว่าอ้างว่าโอ้ยบินทบาทอยู่ได้เนี่ยนะแต่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคเรียกว่าคําพูดบางคำเนี่ยนะมันอยู่ที่เจตนา พันแอบคำพูดบางคำเนี่ยมันเป็นกลลวงอยู่ในนั้นเนี่ยนะพันแกรว่าพูดรู้หรือไม่รู้อะคนพูดจะรู้ดีว่าทําไมจึงพูดอย่างนั้นแต่ยังบางทีอย่างว่าโอ้อร่อยมากนะ่ยที่จริงหรอที่พูดอย่างนั้นเนี่ยแบบอะไรนะว่าหลังจะได้อีกเป็นต้นเนี่ยนะคำพูดบางบางคำเนี่ยแกล้งปฏิเสธเพื่อว่าไอ้คาพูดเนี่ยแล้วแต่ว่าบางทีถ้ากดแล้วได้ก็กดถ้าพูดป้อยอไปแล้วได้ก็ป้อยอไปก็เรียกวเทคนิคเล่เหลี่ยม หลอกลวงด้วยใช้คําที่เราว่าใช้คําอีกอย่างแต่ประสงค์อีกอย่างนี่ก็เหมือนกันใช้คําว่าเหมือนประไม่ประสงค์ต้องการอาหารแต่จริงๆต้องการอาหารนะหรือว่าสมณะเนี่ยประสงค์อะไรด้วยเสนาสนะมีค่ามากสมณะพึงอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ที่แจ้งนั่นเป็นความสมควรบออุย้ยกุฏิที่มีราคาแพงแพงไม่เอาหรอกโคนไม้ก็อยู่ได้กลางแก้งก็อยู่ได้หาผ้ามาทํากลางเต้นก็นอนได้เนี่ยนะจริงจะหลอกลวงจะเอาดีกว่านั้น มันก็หลอกลวงอีกว่าสมมาณะเนี่ยจะประสงค์อะไรด้วยทีฬานปัจจัยเภสัตชบริขารอันมีค่ามากเอาทำไมยาแพงๆนะพันสัมมาณะเนี่ยควรทำยาด้วยน้ำมูดเน่าก็ได้หดือดรื อ, รอด้วยชิ้นลูกสมอก็ได้นั่นเป็นความสมควรที่ที่ทำอย่างนี้เพ่อใหญ่เพราะเธอเป็นผู้มุ่งความไข้จะได้มากๆก็เลยแกล้งใช้จีวรที่เศร้าหมองบินฑบาต ท, ที่เศร้าหมองใช้สอยเสยนาสะนะที่เศร้าหมอง เสพขีฬลานะปัจจัยเพศสาตว์บริขารที่เศร้าหมองแล้วก็เลยทำตัวแบบนี้อยู่พักใหญ่เลยลว่ากันพวกครห บ, บดีก็รู้จักภิกษุรูปนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงได้นานมากแนบเนียนมากเลยหลอกลวงอยู่อย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งพวกครหอที่ปกติก็เรื่อมสายอยู่แล้วเห็นท่านเรื่อมทำแบบนั้นก็เลยลิ่งเลื่อมสายขิ้ว่า สมณะรูปนี้นะมีความปรารถนาน้อยโอยมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีวาทะขจัดก็คือทุดงอ่ะนะเป็นพูดพูดคำพูดแต่แหมมักน้อยสันโดษเหลือเกินอยู่ในกระถาวัตถุเป๊ะว่างั้นอ่ะนะมันลักษณะของอย่างอย่างโยมหลายคนก็อชอบพูดลักษณะนะี้โอ้ดีดีม่ารู้ยังไงยังก็ว่าเคยไปบวชอยู่กับท่านอย่างนั้นเลย นะบางคนเนี่ยบอกโอ้โชมอย่างนั้นชมอย่างนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ให้ชมแต่ว่าจะชมอะไรสักอย่างเนี่ยก็เพราะว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆบางทีเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาจริงไม่จริ ง, รงเราไม่รู้รอนนะเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองนะเขาจะต้องคือหลายๆอย่างนี่จะต้องคิดให้ดีสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีเลยมีกลุ่มคารวาดกลุ่มหนึ่งเป็นพ่อค้าไม้เป็นพ่อค้าผู้ใหญ่เลยแหละ พอขามายก็คือฐานะค่อนข้างดีนะเจ้าของ롱เลื่อยแบบสมัยนี้ก็ได้พวกกลุมเจ้าของรงเลื่อยเรื่มใสเลื่อมไสพระอยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากระถามคริหามบาดีท่านยังทําบุญให้ทานอยู่หรือบอกทำพระเจ้าข้ า, ขาพระองค์ทำกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ถามอย่างเงี้ยพระองค์รู้ไหมบอกรู้รู้ด้วยว่าพระกลุ่มที่เศรษฐีคนนี้เลื่อมไสอยู่เนี่ยอนาคตจะศึกแต่ ถ้าหากว่าไม่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรเนี่ยเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนใจแน่บอกโอ้อรหันขนาดนี้ยังศึกว่างั้นก็จะเสียใจในวันหลังบอกเลิกนับถือศาสนาพระ อ, องค์ก็เลยบอกว่าครห บ, บดีไม่รู้รอกเลยนะนั่นเป็นครหัดผู้บริโภคกามอยู่บ้านจะไปรู้ได้ยังไงท่า น, นก็เอาบอกว่าเอาถวายถ้าจะทําบุญก็ปรารบสงฆ์เธอเนี่ย น, นะปรารบสงฆ์แล้วค่อยทําบุญพระ อ, องค์ก็แนะนําลักษณะนั้นนี้ก็เหมือนกัน อันนะั้นบางทีถ้าเราไม่เข้าใจก็บอกโอ้ท่านสันโดษนะมักน้อยสันโดษวิเวกไม่เกี่ยวเคราะไม่คลุกคลีปรารัความเพียนก็กคืออยู่ในเรียกว่ากถาวัตถุเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุกลุ่มกระถาวัตถุทั้งหลายนี่เรียกร้องลาบสการะได้ดีเยี่ยมก็งั้นก็เลยเป็นผู้มีวาทะขัดเกลาวันหลังก็เลยทำไงดิคือคือยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นไปอีกใช่ไหมก็เลยนิมนต์ให้มันมากกว่าเดิมอีก ก็เลยนี่มนมากนะจีวรก็เพิ่มเรียกว่าเพิ่มทั้งราคาให้มากขึ้นกว่าเดิมปริมาณมากกว่าเดิมบิณทบาตดีกว่าเดิมเสนาสนะดีกว่าเดิมขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารก็ดีกว่าเดิมแต่คนลวงก็คือคนลวงเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมของคนลวงเนี่ยลึกซึ้งมากภิกษุรูปนั้นก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยนะจะประสบบุญเป็นอันมาก เพราะมีปัจจัยสามอย่างเฉพาะหน้าพร้อมหน้าอุ้ยฟังโยมยิ่งเลื่อมสายขึ้นไปอีกเลยก็เลยบอกว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธานะจะประสบบุญเป็นอันมากหนึ่งเพราะมีศรัทธาพร้อมหน้าสองเพราะมีทายาธรรมพร้อมหน้าสมมีทักษิไนยะบุคคลพร้อมหน้ามีศรัทธามีของแล้วก็มีผู้รับอุ้แต่ละอย่างเนี่ยศรัทธาก็เยี่ยมของก็ดีดีผู้รับก็มีคุณลนกันผู้รับก็มีคุณธรรม ท่านทั้งหลายท่านก็มีศรัทธาอยู่ทายธรรมคือของที่จะทําบุญก็มีอยู่อาตมาผู้เป็นปฏิคาหกก็มีอยู่ตอนแรกบอกโอ้ทักกินนัยยบุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานนาบุญคนนาบุญคนนั้นก็คืออาตมานี่แหละมันกันเถอะเสร็จแล้วก็บอกถ้าอาตมาจากไม่รับด้วยเหตุที่อาตมาไม่รับท่านทั้งหลายก็จะเสื่อมบุญนะโฟร์เกนะว่าที่รับเนี่ยรับเพราะสงเคราะห์ท่านอาตมาไม่มีความประสงค์ด้วยปัจจัยนี้หรอก แต่อาตมาจักรับเพื่อเพราะสงสารท่านทั้งหลายแต่ใจจริงคืออะไรเป็นผู้มุ่งอยากได้มากก็เลยรับแต่จีวรมากรับบินทบาตมากเสนาสนะมากขีลานะปั จ, จัยเพสัชบริขารมากตีหน้าสยิวหรือทำสยิวหน้าเป็นผู้มีหน้าสยิวไอหน้าสยิวเนี่ยหมายความว่าทำแบบเครียว่าึคึมแบบมีคุณธรรม เรีว่าเป็นแค่ตีหน้าเก่งนะแสดงว่าท่านเล่นละครเก่งมากไปยว่ากันวัตถุแห่งโกหกกิริยาที่โกหกความเป็นผู้โกหกอันนี้เรียกว่าวัตถ uh, ุแห่งตั้งวัตถุแห่งความโกหกคือการเสพปัจจัยเรียกว่าใช้ปัจจัยเพราะนั้นบางทีใครจะรู้ว่าอ้าวไปดูละครอยู่นี่ว่ากันไปเลยจ่ายค่าละครแพงไปหน่อยนะ